หรือไปขอซีดีฟรีได้ที่หน้าธรรมทานเว็บไซต์ลานธรรมหรือ c d ดี a ร a ม com นะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับถามทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนที่แวดล้อมเราอยู่และผู้คนที่เราครบไปมาหาสู่กันเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน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 ลิ้นก็อันเล็กๆเท่านี้แต่รถที่ลิ้นสัมผัสกลับยิ่งใหญ่นักครอบโลกครอบแผ่นดินนี้นี่เป็นเพียงเพราะเรารู้ไม่ทันเท่านั้นเองหากเรามีสติดํารงอยู่ทุกเมื่อแล้วรถจะครอบงําเราไม่ได้นานมาแล้วเคยสงสัยว่าโลกคืออะไรลองคิดพิจารณาในเรื่องของโลกจนใจเองนั้นอุทานว่าผัสสะคือโลกในวงเล็บ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 บทความจากนิทยาศารทรำมาใกล้ตัวฉบับที่24เสียงอ่านโดยอนุสรตรีโสภาเพียงแรกแลบันการปิติเออคนพันนา Ah.